ปัจเจเวฆณะเจมหาปัจจเวขณะคือการตรวจดูอันยิ่งใหญ่เจ็ประการของพระโสดาบันจากมัชฌิมานิกายมุลปันนาตโกสัมพิยสูตรมีข้อความดังต่อไปนี้ดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายความรู้เห็นคือโสดาปฏิมัคคยานอันปราจจากโทษเป็นธรรมนำออกซึ่งผู้ทาตามนั้น เพื่อความสิ้นทุก์โดยชอบเป็นไะนหนึ่งดูก ร, รักพิสุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินายนี้ไปสู่ป่าโคลนไม้หรือเรือนว่างย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุติฐานะกิเลสได้กลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุติฐานะกิเลสในภายใน ที่เรายังละไม่ได้นั้นมีอยู่หรือหนอดูกะร่าพิษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีจิตอันการมราคะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตถูกกลุ่มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมมีจิตอันถินมิทะกกลุ่มรุมมีจิตอันอุทธจากกุกุจักกลุ้มรุมมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ เป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าเกิดขัดใจทะเละวิวาทิ้มแทงกันและการด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูกกลุ่มรุมแล้วเที่ยวพิสษุนั้นย่อมรู้ชัดดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริจุทธานกิเลสได้กลุ่มลมแล้วไม่เพึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุตฐานากิเลสภายในที่เรายังละไม่ได้นั้นมิได้มีจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจธรรมเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะยานที่หนึ่งนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุตชนพระพุทธองค์ทรงจำแนกปริยุตฐานากิเลสมีการราคะเป็นต้นเพื่อแสดงจำนวนกิเลสดังกล่าว ที่มีอยู่ในจิตของปุตุชนและพระเซกะขะมีได้หมายความว่ากิเลส ท, ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นในจิตของพระอริยะประยุทธฐานากิเลสคือนิวรบางอย่างปรากฏแก่พระอริยะในขณะเจริญวิปัสนาอยู่แต่กิเลสดังกล่าวไม่อาจปิดบังความเกิดดับของรูปนามได้เมื่อท่านกำหนดรู้กิเลสเหล่านั้นแล้ว ก็สามารถกำจัดได้ทันทีโดยไม่ฟุ้งซ่านเป็นเวลานานต่อมาเมื่อวิปัสสนามีกำลังมากขึ้นกิเลสดังกล่าวก็จะไม่ปรากฏขึ้นอีกดังนั้นปัจจเวคขณะยานที่หนึ่งจึงเกิดแก่ผู้ไม่พบปริยุตฐานะกิเลส ท, ที่ปิดบงังไม่ให้รู้เห็นความเกิดดับและทำให้ผู้บรรลุมั่นใจได้ว่าตนเป็นพระอริยะ สองดูก ร, ราพิสูทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพคุ้นเจริญและทำความรู้เห็นนี้ให้มากย่อมบรรลุความสงบภายในจิตของตนบรรลุความดับกิเลสภายในจิตของตนหรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพคุ้นเจริญ และทำความรู้เห็นนี้ให้มากย่อมบรรลุความสงบเฉพาะตนย่อมบรรลุความดับกิเลสเฉพาะตนเธอได้บรรลุปัจจเวทขณะยาณที่สองนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุุชนพระอริยผู้บรรลุมรรคยานแล้วเจริญวิปัสสนาอยู่ย่อมเสพคุณปัญญาที่เกิดจากมัรคยานอยู่เสมอท่านพบว่า ปารยุทธานกิเลสสงบไปจากจิตของตนและกิเลส ท, ที่เนื่องด้วยอารมณ์ที่ตนกำหนดรู้อยู่ก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นปัจเจเวคขณะยานที่สองจึงเกิดแก่ผู้รู้เห็นความสงบของกิเลสและทำให้ผู้บรรลุมั่นใจได้ว่าตนเป็นพระอริยะ สามดูกราพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยความรู้เห็นคือมักคยานเช่นใดสมณะหรือพรามอื่นนอกจากธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความรู้เห็นเช่นนั้นมีอยู่หรือนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยความรู้เห็นเช่นใด สมณะหรือพรามอื่นนอกจากธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบได้ความรู้เห็นเช่นนั้นมิได้มีเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะยานที่สามนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุตุชนสดูกราพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมได้ความรู้เห็น คือมักคยานประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูก ร, ราพิสุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมได้ความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรดูก ร, ราพิสุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏ อริยะสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยะสาวกนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำอาบัตนั้นให้ปรากฏในสำนักพระาศาสดาหรือเพื่อนสหปรมจารีที่เป็นวินยูชนรั้นแสดงเปิดเผยทําให้ปรากฏแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไป เปรียบเหมือนเด็กอ่อนผู้นอนงายถูกทานไฟด้วยมือหรือเท้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นดูก ร, ราพิกุจ์ทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นก็ถึงความสำรวมต่อไปอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจจเวคขณะยานที่สีน่นี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่ต่อเนื่องด้วยปุตชนภิกษุผู้เป็นพระอริยะต้องอาบัตไม่มีเจตนาและเป็นโทษทางโลกซึ่งเรียกว่าอาจิตตกะปัญญัติวัชชะเช่นอาบัตหนัก ตามกุติการสิกขาบทว่าด้วยการสร้างกุติใหม่เกินขนาดและอบัตเบาตามสหเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกับอนุปสัมบันคือผู้ไม่ใช่ภิกษุและภิกษุณีเกินสามวันท่านอาจต้องอบัต ด, ด้วยความพลั้งเผลอโดยประสจากเจตนาและเมื่อต้องอบัตแล้ว ก็จะปรงอาบาดบอกถึงโทษของตนทันทีส่วนคลือหัดผู้เป็นพระอริยะก็จะไม่ปกปิดโทษของตนถ้ามีผู้ที่หวังประโยชน์ถามก็จะยอมรับโทษของตนตามความเป็นจริงดังมีหลักฐานกล่าวว่าหนึ่งโดยแท้จริงแล้วอริยสาวกที่ต้องอบัดย่อมต้องอบัดที่ไม่มีเจตนาเหมือน กุติการะอาบัตในอาบัตหนักและเหมือนสหเสยยาอาบัตในอาบัตเบา 2. ท่านต้องอาบัตนั้นโดยไม่จงใจไม่ต้องอาบัต ด, ด้วยความจงใจและไม่ปกปิดอาบัตที่ต้องแล้วคากล่าวว่าเทเสติหมายความว่า เมื่อมีบุคคลที่หวังประโยชน์ก็ไม่รอถึงหนึ่งที่วาราตรีย่อมไปสู่ที่พำนักของภิกษุผู้หวังประโยชน์แม้มีความมืดที่มีองศีคือความมืดในเวลาเที่ยงคืนของวันแรม15้าค่ำขณะอยู่ในไพรสนทึบและมีเมฆบงังแล้วแสดงอบัตทีเดียว ดูกราพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมได้ความรู้เห็นประกอบได้ธรรมดาเช่นใดถึงเราจะประกอบได้ธรรมดาเช่นนั้นดูกราพิสุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมได้ความรู้เห็นประกอบได้ธรรมดาอย่างไรดูกราพิสุทั้งหลาย ธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมได้ความรู้เห็นคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำของเพื่อนสหปรมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพียรยิ่งในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของเธอก็มีอยู่ดูกราพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ย่อมเล็มยากกินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบได้ธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบได้ธรรมดาเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวกขณะยานที่ห้านี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุตุชนหก ดูกราพิษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยภละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภละเช่นนั้นดูกราพิสุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยภละอย่างไรดูกราพิสุทั้งหลาย ขณะนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือเมื่อบุคคลแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้อริยะสาวกนั้นใส่ใจทำให้เกิดประโยชน์กำหนดด้วยจิตทั้งหมดเงี่ยโสดฟังธรรมอริยะสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพร ะ, ะเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพร ะ, ะเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวขณะยานที่หกนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุตชนเจตดูกราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมได้ความรู้เห็นประกอบด้วยพร ะ, ะเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นดูก ร, ราพิสูตทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยพระอย่างไรดูกราพิสูตทั้งหลายพระนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นคือเมื่อบุคคลแสดงธรรมวินยัยที่พระตถาคตประกาศไว้อริยาสาวกนั้นย่อมเข้าใจความหมายเข้าใจหลักธรรม ได้รับความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมได้ความรู้เห็นประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นเธอได้บรรลุปัจเจเวคขณะยานที่เจ็ดนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุตุชนโดก ร, ราพิสุทั้งหลาย ธรรมดาคือปกติของพระอริยะอันอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยยานที่เห็นประจักษ์โสดาปฏิพลดูก ร, ราพิสุ์ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิพล การเข้าผลสมบัติผลสมบัติคือการเกิดขึ้นของผลจิตแห่งพระอริยะเหมือนกับเข้าไปสู่ความดับรูปนามทั้งหมดดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าถามว่าผลสมบัติคืออะไรตอบว่าคือการเข้าอยู่ในความดับรูปนามของผลแห่งจิตพระอริยะปุถุชนไม่อาจเข้าผลสมบัติได้ เพราะยังไม่ได้บรรลุผลพระอริยะทุกท่านเข้าผลสมบัติได้ตามผลที่ตนบรรลุไม่อาจย้อนกลับไปเข้าผลสมบัติในระดับผลที่บรรลุผ่านมาแล้วหรือผลชั้นสูงในคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงความเห็นของบางคนเกจิวัว่าบางคนกล่าวว่าพระอนาคามี และพระอาหารหันต์เท่านั้นที่เข้าผลสมบัติได้เพราะบำเพ็ญสมาธิสิกขาบริบูรณ์แต่พระโสดาบันและพระสกทาคามีไม่อาจเข้าผลสมบัติได้เพราะมิได้บำเพ็ญสมาธิศิกขาบริบู์แล้วกล่าวแย้งว่าปุถุชนอาจเข้าฌานสมบัติที่ตนเคยบรรลุมาแล้วพระอริยะจึงควรเข้าผลสมบัติ ที่เคยบรรลุมาแล้วได้เช่นเดียวกันแม้ได้คำภีปฏิสัมพิธามักก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายานชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตคือสิ่งที่ปรากฏเหมือนมีจริงความขวนขวายปฏิสนธิเพื่อต้องการเข้าโสดาปฏิผลสมาบัติยานชื่อว่าโคตรภู รอกรอบงามความเกิดขึ้นเพื่อต้องการเข้าสกทาคามิผลสมบัติสรุปความว่าพระอริยะสามารถเข้าผลสมบัติที่ตนบรรลุได้โดยแท้อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถเข้าผลสมบัติได้ในขณะที่อินสีห้ายังไม่แก่กล้าจึงควรจเจริญวิปัสสนาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้สมาธินีเป็นต้นแก่กล้าเมื่ออินทรีห้าแก่กล้าบริบูรณ์แล้วท่านก็จะบรรลุผลสมาบัติเมื่อเข้าผลสมาบัติได้เสมอๆจึงจะแน่ใจว่าตนเป็นพระอริยบุคคลดังข้อความในคำภีวิสุทธิมักว่าอันหนึ่งวิปัสสนามีสามอย่างคือหนึ่ง สังขารปริคันนาหกกวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่กำหนดรู้สังขารจะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างแก่ก็ตามเป็นเหตุใกล้แก่มากได้เช่นกัน 2. ผลสมบัติวิปัสสนาวิปัสสนาเพื่อเข้าผลสมบัติต้องเป็นอย่างแก่กล้าจริงๆเช่นเดียวกับมัคคภวนาจึงใช้ได้ สามนิโรธสมาปติวิปัสนาวิปสนาเพื่อเข้านิโรธสมาบัติต้องไม่อ่อนไม่แก่เกินไปจึงใช้ได้ข้อถามว่าสังขารปริคันหะนากกวิปัสนาคือวิปสนาที่กำหนดรู้สังขารจะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างแก่ก็ตามเป็นเหตุใกล้แก่มักได้เช่นกันหมายความว่า วิปัสนาอย่างอ่อนย่อมก่อให้เกิดทันทาพินยามัก ค, คือมักที่บรรลุช้าส่วนวิปัสนาระดับแก่กล้าย่อมก่อให้เกิดขิปปาพินยามัก ค, คือมักที่บรรลุเร็ววิปัสนาจึงอาจมีระดับอ่อนหรือแก่กล้าของวิปัสนาแต่ไม่ว่าจะเป็นระดับใดเมื่อวิปัสนานั้นบริบูรณ์ด้วยลักษณะของวุตถานคามินี คือพาไปสู่มรกได้ก็เป็นเหตุใกล้ของมรดเช่นกันข้อความว่าเช่นเดียวกับมรกคภาวนาหมายความว่าเหมือนกับมรกคภาวนาเพราะแม้จะรับเอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ดาเนินไปโดยลักษณะถอยออกจากสังขารทั้งปวงและเพราะเป็นปัจจัยแก่ผลที่ได้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์ เหมือนมรรคที่เป็นปัจจัยแก่ผลในมรรควิธีการกล่าวว่าวิปัสสนาเพื่อเข้าผลสมบัติต้องแก่กล้าจริงๆจะใช้ได้หมายถึงวิปัสสนาของผู้ที่เริ่มภาคเพียนเพื่อเข้าผลสมบัติเมื่อสามารถเข้าผลสมบัติจนช่ำชองแล้วก็อาจเข้าผลสมบัติได้แม้สังขารุปเปกขายานจะไม่แก่กล้าก็ตาม ดังข้อความในคำมพียอธกถาปฏิสัมพิามักว่าหนึ่งพระสารีบุตรกล่าวถึงมม ล, ลบทบทหลักห้าบทว่าความเกิดขึ้นเป็นต้นโดยกล่าวย้ำกับคำวัยพศสิบบทว่าคติงเป็นต้นไว้ในมัขวาระเพื่อแสดงความแก่กล้าของสังขารุปเปขายานนั้น เพราะความเกิดขึ้นของมรรคที่สามารถละกิเลสได้เมื่อสังขารุเปกขาญาณแก่กล้าแล้ว 2. พึงทราบว่าท่านกล่าวถึงมูลบทห้าบทไว้ในผลสมาปฏิวาระเพื่อแสดงว่าแม้สังขารุเปกขาจะเป็นอย่างอ่อนก็เป็นปัจจัยแก่ผลได้เพราะ ผลมีสภาพสงบโดยปราศจากความอุตสาหะในการขจัดกิเลสและเกิดเนื่องด้วยมักที่ตนบรรลุแล้วอานิสงค์ของผลสมบัติพระอริยควรอธิษฐานเป็นลำดับแรกว่าขอให้ผลจิตเกิดอย่างเดียว ตลอดเวลาจากนี้แล้วเข้าผลสมาบัตินานตลอดเท่าที่ต้องการเพื่อเสวยโลกุตระสุขคือสุขในผลและสุขในนิพพานเหมือนพระราชาเสวยสุขในราชาสมบัติและเทวดาเสวยสุขในทิพยสมบัติในขณะเข้าผลสมาบัติพระอริยะจะบรรลุความดับสังขารทุกข์ทั้งหมดอยู่อย่างสงบสุข นอกจากนั้นผู้ที่เริ่มบรรลุมรรคผลแล้วมรรคเข้าผลสมบัติบ่อยๆหรือดำรงอยู่ในผลสมบัติเป็นเวลานานเพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์หรือเพื่อนสัพรมจารีมั่นใจได้ว่าตนเป็นพระอริยะ ลักษณะของการเข้าผลสมบัติพระอริยกําหนดรู้อารมณ์ที่เป็นสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วสละอารมณ์ดังกล่าวบรรลุความสงบที่ไม่มีสังขารโดยสิ้นเชิงการสละสังขารแล้วบรรลุความดับสังขารนี้คือการเข้าผลสมบัติดังพระสารีบุตรกล่าวไว้ในมหาเวทนาสูตรว่า 1. ผู้มีอายุปัจจัยของการเข้าเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตคือผลสมบัติมีสองประการ 2. คือการไม่ใส่ใจนิมิตทั้งหมดและการใส่ใจนิพานธาตุที่ไม่มีนิมิตลำดับการเข้าผลสมบัติพึงทราบตามในแห่งคำภีวิสุทธิมรักดังต่อไปนี้ 1. โดยแทย้จริงแล้วอริยสาวกผู้ต้องการจะเข้าผลสมบัติต้องหลีกริ้นอยู่ในที่สงบกําหนดเห็นสังขารด้วยวิปาาัสนาญาณมีอุททะปยญาณเป็นต้น 2. จิตของท่านผู้เจริญวิปัสนาตามลําดับแล้วย่อมเข้าไปในความดับด้วยอํานาจผลสมบัติในลําดับต่อจากอนุโลมญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ส อันหนึ่งผลจิตเท่านั้นบังเกิดขึ้นแม้แก่พระเสกขะเพราะน้อมจิตไปสู่ผลสมบัติมขจิตหาเกิดไม่พระอริยบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาอยู่ย่อมเห็นประจักษ์ความเกิดดับคืออุทัพยายานเป็นลำดับแรกจากนั้นวิปัสสนาญาณต่างๆจึงเรียงมาปรากฏจนกระทั่งถึงสังขารุเปกขายานด้วยเหตุนี้ พระอริยะผู้เจริญวิปัสนาเพื่อเข้าผลสมบัติจิงบรลุอุทัพพยัญายาเป็นต้นไปจนถึงสังขารุปเปกขายานเมื่อสังขารุปเปกขายานแก่กล้าแล้วอนุโลมยานย่อมเกิดขึ้นและเมื่อสละอารมณ์ที่เป็นสังขารรูปนามทั้งหมดได้แล้วจึงเข้าสู่สภาพดับสังขารคือพระนิพพานการเกิดขึ้นของจิตในขณะนั้น จะเหมือนในขณะบรรลุมัรคผลจิต ท, ที่เป็นผลของมัรคที่เกิดอันเกิดขึ้นก่อนย่อมปรากฏอย่างเดียวเพราะเป็นการเจริญวิปัสสนาโดยมุ่งบรรลุผลจิต ท, ที่เคยเกิดมาแล้วไม่เกิดมรรคจิตชั้นสูงที่ไม่ได้มุ่งหวังไว้ถ้าพระอริยมุ่งหวังจะบรรลุมัรคขั้นสูงแล้วจเจริญวิปัสสนา วิปัสสนานั้นก็จะต่างจากวิปัสสนาที่ปฏิบัติเพื่อเข้าผลสมาบัติเพราะต้องทำหน้าที่ของสัมมาประธานสี่อย่างจึงไม่อาจบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงได้ง่ายเหมือนวิปัสสนาที่ปฏิบัติเพื่อเข้าผลสมาบัติดังคำภีมหาดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่าการปฏิบัติวิปัสสนาที่นามัคคยานอันประเสริฐ มาให้แตกต่างจากการปฏิบัติวิปัสนาที่นำผลสมบัติมาให้พระอริยผู้เจริญวิปัสนาเพื่อบรุมัคคานชั้นสูงจะบรรลุวิปัสนาขั้นต่างๆก่อนแล้วบรรลุมัคขั้นสูงเมื่อสังขารุเปกขายานแก่กล้าแล้วแต่ไม่อาจเข้าผลสมบัติได้เพราะมุ่งหวังในมัค และถ้าวิปัสนาญาณของท่านยังไม่แก่กล้าก็จะเกิดสังขารุเปกขาญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางท่านที่ยังยินดีในการเข้าผลสมบัติอยู่ก็อาจน้อมใจไปในผลสมบัตินั้นทำให้มีผลจิตปรากฏอย่างต่อเนื่องและอยู่ได้นานดังนั้นผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคชั้นสูงจึงควรอธิษฐาน ขอไม่เข้าผลสมบัติตลอดช่วงเวลานี้แม้ในเวลาปฏิบัติธรรมここก็ต้องระมัดระวังไม่ให้น้อมจิตไปในผลสมบัติการตั้งอยู่ของผลสมบัติพระสารีบุตรกล่าวถึงองค์สามในการตั้งอยู่ของผลสมบัติไว้ในมหาเวททะลสูตรว่า หนึ่งผู้มีอายุปัจจัยของการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตมีสามประการสองคือการไม่ใส่ใจนิมิตทั้งหมดการใส่ใจนิพพานาธาตุที่ไม่มีนิมิตและการกำหนดเวลาไว้ก่อนพระอริยะผู้ต้องการจะดํารงอยู่ในผลสมาบัติเป็นเวลาหนาที10นาที30นาที หนึ่งชั่วโมงหรือมากน้อยกว่านั้นพึงอธิษฐานขอให้ผลสมบัติตั้งอยู่ตลอดเวลาเพียงนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไปโดยกำหนดรู้รูปนามตามปกติไม่ต้องพวงถึงผลสมบัติเมื่อสังขารูปเปกขายานแก่กล้าขึ้นตามลำดับวิปัสสนาญาแล้วจิตจะละจากอารมณ์รูปนามทั้งหมดแล้วเข้าสู่ความดับรูปนาม คือพระนิพพานในที่สุดอย่างไรก็ตามการดํารงอยู่แห่งผลสมบัติได้นานตามเวลาที่อธิษฐานมักปรากฏแก่บุคคลผู้มีวิปัสสนาญาณแก่กล้าส่วนในผู้มีวิปัสสนาญาณไม่แก่กล้าอาจดํารงอยู่ได้ไม่นานตามคำอธิษฐานและถ้าไม่อธิษฐานไว้ก่อนก็มักดํารงอยู่ในผลสมบัติได้เพียงชั่วขณะ ความดับของรูปนามในผลสมบัติพระอริยะย่อมรู้เห็นความดับรูปนามเป็นอารมณ์อย่างเดียวในขณะเข้าผลสมบัติดังข้อความที่กล่าวถึงความตั้งมั่นของผลละจิตในอังคุตระนิกายว่าหนึ่งดูกะระอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สำคัญอย่างนี้ว่าความดับนี้สงบประนีดอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวง สละอุปธิทั้งหมดคือขันธ์กิเลสอภิสังขารอันเป็นบุญบาปและกรรมคุณสิ้นตัญหาใครกำหนัดดับทุกข์ 2. ดูกระอานนการบรรลุสมาธินั้นของภิกษุผู้เข้าผลสมาบัติเป็นความใส่ใจอย่างนี้ว่าภิกษุนั้นไม่พึงสำคัญปัทวีกสินว่าเป็นปัทวีกสิน ไม่พึงสำคัญอาโปกสินว่าเป็นอาโปกสินไม่พึงสำคัญเตโชกสินว่าเป็นเตโชกสินไม่พึงสำคัญวายโยกสินว่าเป็นวายโยกสินไม่พึงสำคัญอากาสาญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสาญจายตนะฌานไม่พึงสำคัญวิญญาณจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณจายตนะฌาน ไม่พึงสำคัญอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนะฌานไม่พึงสำคัญเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานไม่พึงสำคัญโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ไม่พึงสำคัญโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าไม่พึงสำคัญรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับ อารมณ์ที่รู้ชัดอันตนถึงแล้วด้วยใจแสวงหาแล้วเที่ยวคิดแล้วแต่เธอยังมีสัญญาอยู่การบรรลุสมาธิเช่นนั้นพึงมีแก่พิกษุได้อย่างนี้ข้อความว่าพิกษุนั้นไม่พึงสำคัญปัทวีกสินว่าเป็นปัทวีกสินเป็นต้นหมายความว่าแม้พิกษุนั้นจะบรรลุรูปฌาน แล้วก็ไม่รับรู้อารมณ์ของรูปฌานในขณะเข้าผลสมาบัติข้อความว่าไม่พึงสำคัญอากาสาณนนจายตนะฌานว่าเป็นอากาสาญนนจายตนะฌานเป็นต้นหมายความว่าแม้ภิกษุนั้นจะบรรลุอรูปฌานแล้วก็ไม่รับรู้อารมณ์ของอรูปฌานในขณะเข้าผลสมาบัติข้อความว่า ไม่พึงสำคัญโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ไม่พึงสำคัญโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นต้นหมายความว่าภิกษุนั้นไม่รู้เรื่องของโลกนี้เริ่มตั้งแต่จิตของตนเป็นต้นไปไม่รู้เรื่องตามโลกหน้าอันมีเทวโลกเป็นต้นด้วยอภินยาจิตหรือด้วยจิตปกติข้อความว่าไม่พึงสำคัญรูปที่ได้เห็นเป็นต้น หมายถึงไม่คิดถึงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติหรือประมัติทุกอย่างเหมือนในเวลาก่อนจะบรรลุมรรคผลข้อความว่าแต่เธอยังมีสัญญาอยู่หมายถึงภิกษุนั้นจะได้รู้เห็นพระนิพพานที่ดับสังขารรูปนามทั้งหมดในคำพีอัตถกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าหนึ่งพระดำรัสว่า เอตังสันตังเอตังปณิตังสภาพนั้นสงบประณีตหมายความว่าจิตตุบาทของผู้นั่งเข้าผลสมาบัติโดยใส่ใจว่าสงบสงบย่อมดําเนินไปว่าสงบสงบแม้ตลอดวัน 2. จิตตุบาทของผู้นั่งเข้าผลสมาบัติโดยใส่ใจว่าประนีตประณีต ย, ย, ย่อมดําเนินไปว่าประณีตประณีตแม้ตลอดวัน จิตตุบาบาทของผู้นั่งเข้าผลสมบัติโดยใส่ใจว่าดับทุกข์ดับทุกข์ย่อมดำเนินไปว่าดับทุกข์ดับทุกข์แม้ตลอดวันโดยประการดังนี้คำทั้งหมดนั้นบนรรลุถึงสมาธิในผลสมบัติข้อความว่าจิตตุบาบาทของผู้นั่งเข้าผลสมบัติโดยใส่ใจว่าสงบสงบย่อมดำเนินไปว่าสงบสงบ หมายถึงการดำเนินไปของผลจิตอันรับเอาความสงบเป็นอารมณ์ไม่ใช่หมายถึงการบริกรรมในใจดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องมักคจิตการออกจากผลสมบัติการสละอารมณ์คือพระนิพพานที่ดับสังขารแล้วกลับมารับรู้อารมณ์ที่เป็นสังขาร คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาจออกจากผลสมบัติดังพระสารีบุตรกล่าวไว้ในมหาเวทัลลสูตรว่าผู้มีอายุปัจจัยของการออกจากเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตคือผลสมบัติมีสองประการคือการใส่ใจนิมิตทั้งหมดและการไม่ใส่ใจคือนิพพาน ธาตุที่ไม่มีนิมิตมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคมภี์วิสุธทธิมักว่าคําว่าสัพพนิมิตตานังนิมิตทั้งหมดคือนิมิตอันได้แก่รูปเบทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแม้บุคคลไม่อาจใส่ใจนิมิตทั้งหมดนั้นพร้อมกันได้แต่คํานี้กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยการประมวลนิมิตทั้งหมด ที่ควรเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งออกจากสมบัติดังนั้นนิมิตใดเป็นอารมณ์ของผวังได้เมื่อพระอริยะใส่ใจนิมิตนั้นการออกจากผลสมบัติย่อมเกิดขึ้นเมื่อภวังขจิตเกิดขึ้นพระอริยะย่อมออกจากผลสมบัติแต่พระอริยะทั่วไปยากที่จะรับรู้ภวังขจิตได้ ท่านมักรับรู้สภาวะที่เกิดต่อจากภวังเช่นการพิจารณาผลและนิพานปัจเจกขณะยานการใส่ใจอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันจิตที่พิจารณาใส่ใจหรือกำหนดรู้เหล่านี้มักปรากฏชัดแก่ท่านดังนั้นเมื่อจิตดังกล่าวปรากฏขึ้น ก็ควรรู้ว่าตนได้ออกจากผลสมบัติแล้วข้อความว่าคำนี้กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยการประมวลนิมิตทั้งหมดหมายความว่าพระวังขจิตดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดต่อจากผลชวนะจิตดวงสุดท้ายย่อมรับเอาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์แต่ไม่อาจรับรู้สังขารทั้งห้ายอย่างพร้อมกันได้อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้หมายถึงสังขารทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของผวังต่างๆอันปรากฏแก่พระอริยะผู้ออกจากสมบัติข้อนี้เหมือนวิปัสนาที่เห็นประจักรูปนามทีละอย่างในปัจจุบันขณะตามที่กล่าวไว้ในพระบาลีและอัตถกถาว่ารู้เห็นสังขารที่มีภูมิสามทั้งหมดหรือรู้เห็นขันทั้งห้า จริงแล้วในขณะหนึ่งขณะหนึ่งจิตย่อมรับรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวจะรับมากกว่าหนึ่งอารมณ์ไม่ได้บางท่านสามารถเข้าออกผลสมาบัติได้เร็วโดยเกิดผลละจิตและจิตที่พิจารณาใส่ใจหรือกำหนดรู้สลับกันไปหลายครั้งทำให้ไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้นานโดยเฉพาะผู้ที่ได้สดับหลักธรรมมาน้อยอาจพิจารณานึกคิด ในขณะข้อผลสมบัติทำให้ต้องออกจากผลสมบัตินั้นดังเรื่องพระมหาโมคลานะที่จะกล่าวต่อไปในวันหนึ่งพระเทระา บ, บอกเหล่าภิกษุว่าเราเข้าอนเนชชาสมาธิอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสิปิกนิกาได้ยินเสียงบัลลืออันแสนสนอโสดของฝูงช้างที่ลงไปเล่นน้ำแล้วขึ้นฝั่ง อเนชาสมาธิคือสมาธิที่ไม่หวั่นไหวเป็นอรหัตผลสมาธิที่บุคคลบรรลุโดยอาศัยรูปวจรจะตุทชาหรืออรูปวจรจะตุทชาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาทดังที่อธิบายไว้ในคำพีอัตกรถาของอุทานสมาธิดังกล่าวมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้ไม่ได้ยินเสียงทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงฟ้าผ่าในขณะเข้าผลสมาบัติดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่เชื่อพระโมคคัลลานะแล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายสมาธินั้นมีอยู่จริงแต่ยังไม่หมดจดการที่พระเถระได้ยินเสียงช้าง ก็พระวัฒน์ท่านเข้าอนิยนชัสมาธิแล้วออกจากสมาธิดังกล่าวและเกิดจิตปกติสลับกันไปอันหนึ่งในอธกถาพระวินัยอธิบายเพิ่มเติมว่าท่านบรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อออกบวชเจ็ดวันแล้วท่านยังไม่ช่ำชองในสมบัติด้วยวสีภาวะห้าอย่าง แล้วเข้าจะตุตถฌานและได้ยินเสียงช้างเมื่อออกจากจะตุตถฌานแต่ท่านสําคัญว่าได้ยินในขณะเข้าสมาบัติจึงกล่าวเช่นนั้นแม้พระอัตตกระถาฌานจะกล่าวว่าเป็นจตุตถฌานก็ควรเป็นจตุตถฌานของอรหัตตผลอย่างเดียวเพราะเข้าฌานเมื่อเริ่มบรรลุพระอรหัน การกล่าวว่าพระโมคคัลลานะได้ยินเสียงช้างในขณะออกจากฌานและสําคัญว่าการได้ยินนั้นเกิดในขณะเข้าสมบัติตามหลักฐานพระบาลีและอัตถกถาทําให้ทราบว่าการรับรู้หรือใส่ใจอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนปัจจเวคขณะยานในเวลาออกจากสมบัติแม้พระอริยะจะอยู่ในระดับเดียวกัน ก็อาจต่างกันโดยเข้าผลสมบัติตามเวลาที่ต้องการดังข้อความในคัมภียอตกถาของอุปริปนาตว่าพระเขียนาศมีสองประเภทคือ 1. นึสั ส, ะ ส, ะสะตะวิหารีพระเขียนาศผู้อยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาเสมอ 2. โสนสัสตวิหารีพระเขียนาศผู้มิได้อยู่ด้วยสมถะ และวิปัสสนาเสมอในพระขีณาศพเหล่านั้นพระขีณาศพผู้เป็นสัตสตวิหารีแม้กระทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเข้าผลสมบัติได้ส่วนพระขีณาศพผู้เป็นโนสัตสตวิหารีเป็นผู้ขวนขวายหน้าที่ในกิจเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจเข้าผลสมบัติได้ ในคำพีอัตกาถาข้างต้นยกตัวอย่างว่ามีพระเถระและสิทธิ์สมณเณรไปอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งพระเถระได้ที่พักหลบฝนได้แต่สมเณรไม่ได้ที่พักพระเถระมัวคิดหาที่พักให้สมเณรจึงไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้ตลอดพรรษาแต่สมเณรยังเวลาให้ผ่านไปด้วยสุขในผลสมาบัติครั้นออกพรรษาแล้ว สมณเณรถามพระเถระว่าท่านอยู่ในวัดป่ารื่นรมหรือไม่ท่านตอบว่าไม่รื่นรมจากเรื่องนี้สามณเณรเป็นตัวอย่างของพระอรหันต์ประเภทแรกจึงสามารถเข้าผลสมาบัติเสวยนิพพานสุขได้แม้จะไม่มีที่พักแต่พระเถระเป็นพระอรหันต์ประเภทหลังที่ไม่อาจเข้าผลสมาบัติก็เพราะพะวงหาที่พักให้สมณเณร ด้วยเหตุนี้ผู้เจริญวิปัสสนาจึงควรภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความเป็นพระอริยะผู้สามารถเข้าผลสมบัติได้เสมอในเวลาที่ต้องการ